สิกขาบทวิพังสองร้อยสาคำว่าก็ภิกษุผู้เข้าไปถึงตระกูลที่ชื่อว่าตระกูลได้แก่ตระกูลสี่คือตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ตระกูลแพทย์ตระกูลสูตรคำว่าผู้เข้าไปถึงคือผู้เข้าไปในตระกูลนั้นที่ชื่อว่าขนมได้แก่ของกินอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาจัดเตรียมเพื่อส่งไปเป็นของกำนัน ที่ชื่อว่าเข้าตูได้แก่ของกินอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาจัดเตรียมเป็นสเสบียงทางคําว่าทายกนํามาปรนน่าคือเขานํามาปรนน่าว่าท่านโปรดรับตามต้องการคําว่าผู้ต้องการคือผู้ปรารถนาได้คําว่าพึงรับได้เต็ม2อถึงสบาทความว่าภิกษุเพึงรับได้เต็ม2อถึงสบาทคําว่าถ้ารับเกินกว่านั้นความว่ารับเกินกําหนดนั้นต้องอบัตไปจิตตีครั้นรับเต็ม2อถึงสบาท แล้วเมื่อออกจากที่นั้นไปพบภิกษุรูปอื่นพึงบอกว่ากระผมรับเต็ม2อถึงสบาทในที่โน้นท่านอย่ารับในที่นั้นถ้าพบภิกษุรูปอื่นแล้วไม่บอกต้องอบัตรทุกกฎเมื่อบอกแล้วภิกษุรูปนั้นยังไปรับต้องอบัตรทุกกฎคาว่าเมื่อนําออกจากที่นั้นแล้วพึงแบ่งปันภิกษุทั้งหลายคือภิกษุพึงนํากลับไปแล้วแบ่งกันคําว่านี้เป็นการทําที่สมควรในเรื่องนั้นคือ นี้เป็นความถูกต้องในเรื่องนั้น